ไปเม้่อนั้นก็ไปติดตามมาหลวู่มั่นได้กลาวว่าท่านอยู่อยู่อดรนี่ไงท่านก็ไปแต่ครั้งแรกท่านไปไปอยู่ที่โคราชกันที่นั่นแล้วตามไปที่อุดรกันาทาบวาท่านไปสกลก็ตามไปสกลข้าเลยได้ไปพบหลวงปู่มั่นที่ที่สก ล, ลกนครไปตอนเย็นๆประเดี๋ยหลวงท่านกนำลัง เดินจงกลมอยู่ดยได้ไปต่าขออนุญาตอยู่พอดีโชคดีวันนั้นมีท่าอยู่ร่นมีท่านที่เคยอยู่ท่านออกไปท่เลยมีที่ว่างก็เลยได้อยู่นั่งก็ดีใจนั่นก็เล่าว่าวันหน้าที่หลวงปูง่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 ร่างการนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเพียงท่าศีรีน้ำหนึ่งร่างการนี้ไม่สวยงามเลยมีอาการสางิดซ้อนมีผมขนเล็บฟันหนลังเรามีส่วนที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังมีเนื้อมีอมีกระดูมีอวัยวะต่างๆถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆจนมันปรากฏเป็ น, นเป็นควา ม, มรู้สึกที่รู้อยู่อย่างต่อเ น, นื่อง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 เป็นซาบสุดไปนี่คือปัญญานี่คือความจริงปัญญาก็คือความจริงนี่รู้ปัจจนานะครับรู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงก็รู้รู้ตางความจริงรู้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงรู้ว่าร่างกายเป็นทุกข์รู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนหรู้ว่าร่างกายเป็นเพียงธาตุจริงในนันน้นเหมือนกันรู้ว่าร่างกายนีย้ไม่ได้สวยงาม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 ภาพดวงภาพหลอนที่ใจมีอยู่ติดอยู่กับร่างกายเรามักจะมองร่างกายของเราว่าเป็นเป็นรูปร่างหน้าตาที่ดีสวยงามหรดอรู ป, ร, ปรูปร่างหน้าตาของคนอื่นว่าว่าไม่งานหน้าดูแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นตลอดมันจะต้องถึงเวลาของมันมนก็จะต้องเปลี่ยนไปไปอีกอย่างนง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 แห็นว่าเป็นเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายดื่มน้ำลงไฟเมื่อร่างกายนี้มีเกิดเป็นมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดมีการเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะไม่มากระทบกระเทือนกับจิตใจของเราเพรา ะ, ะจิตใจของเรานั้นได้ถูกถูกปัญญากําจัดกิเลสต่างๆให้หมดไปจากใจแล้ว ก็จะไม่มีก <et> นะิเลสมาทิมแทงจิตใจแ ล, แล้วไม่รู้สึกเร้ากเสียใจไม่รู้สึกอะไรอวบนอย่างใด <Okay. S 1> นี่ถืว่าเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนฝนตกแดดออกเหมือน mm hmm. พระาทิตขึ้นพระาทิตตกพระาทิตขึ้นเราก็ไม่ได้ดีใจพระอาทิตตกเราก็ไม่ได้เสียใจ mm hmm. คนเกิดเราก็จะไม่ดีใจคนตายเราก็จะไม่เสียใจกร mm hmm. ะเสิบ จะเป็นเรื่องธรรมดาของยินน้ำลมไปนี่คือปัญญาที่เราจะใช้มาแก้เรือมาทำลายกิเลยคือความโหนง่งความโหนง่งเมื่อเราไม่มีความโหน่งแล้วเราก็จะไม่มีความโลภไม่มีความอยากกับอะไรเรารู้ว่าระอยากกับของที่จะทำให้เราเจ็บช้ำใจเราจะไปเอามาทำไมได้อะไรมาแล้วสักวันนี้เขาก็ต้องจากเราไป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 มันได้ออกจากจากจากจุดเบขาแนละ้วมันก็จะรู้ว่าจิตเริ่มกระเพื่อมแล้วิดกำลังเริ่มเข้าไปหาความทุกข์ลเพราะถ้าชอบเดี๋ยวก็ต้องเสียใจเวลาสิ่งที่ชอบนั้นจากเอาไปหาไปหรือถ้าไปเจอสิ่งที่ไม่ชอบก็จะเกิดความความกังวลกังวขึ้นมา ท, าทันทีเราก็ต้องดึง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 ส่วนที่เราไม่ชอบ se, ม, มันก็เป็นถ้าเช่นสมมติว่ารู ป, ม, รปร Бог, มันก็เป็นรูปเหมือนกันรูปที่เราชอบมันก็เป็นรูปเหมือนกันคนที่เราชอบเนี่ยมันก็มาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกันคนที่เราไม่ชอบมันก็มาจากดินน้ำาเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่ามันเป็นศักแต่ว่ารูปฉะมันก็จะไม่เกิดอารมณ์ชอบหรือชังเกิดขึ้นมา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 ก็ออยังอ่อนอยู่แต่ถ้าเรามีสมาธิเราจะเจริญปัญญาอย่างอย่างต่อเนื่องเื่อเราจะพิจารณาว่าคนนี้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีอย่างนี้ลทุกลมหายใจเข้าถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นภาวนามายะปัญญาการที่จะเป็นภาวนามายะปัญญาได้ก็ต้องจิตต้องมีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่ไม่ถูกอารมณ์อย่างอื่นมาชดลากไป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 ถ้ามีปัญญาอยู่ติดอยู่กับใจอยู่ทุกขณะพออยู่กล้กับเหตุการณ์ที่จะทำให้คิดว่าจะต้องตายมันปัญญามันจะมามามาสกัดกิเลสแล้วไม่ให้เกิดความกลัวขึ้นมาปัญญาจะให้ปล่อยวางพอปล่อยวางแล้วะะทีนี้ก็ก็รู้แล้ปล่อยได้แล้วถ้าพอปล่อยได้แล้วทีนี้ก็หมดปัญหาไม่ต้องพิจารณาต่อไป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 ยังไม่มีเหตุการณ์ที่เป็นวิกฤตนี้ก็ยังไม่ได้เป็นเครื่องพิสูจน์แท้จริงเป็นปฏิบัติในบ้านเราปฏิบัติในห้องแหง น, นอกจากว่าเรานั่งไปแล้วมันเกิดทุกขเวทนาแล้วเราไม่ลุกไม่ขยับอันนี้เราก็จะได้เราก็จะได้ของจริงก็คือการการต่อสู้กับทุกเวทนาการปฏิบัติ ด, ดูเสียว่าเราจะผ่านเวทนาทุกเวทนาไปได้หรือเปล่า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 เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถไปควบคุมบั ง, บงคับมันได้มันจะเป็นอย่างไรถ้ามันเป็นไปมันก็เป็นสภาวะธรรมอย่างนเหมือนกับเสียงที่เราได้ยินขนณะนี้มันก็เป็นสภาวะธรรมอย่างเสียงมันมาแล้วมันก็มากระทบกับหูแล้วก็ไปรับไปรับรู้ในใจเวทนา ท, ที่ผ่านมาทางการมันก็ไปรับรู้ในใจเหมือนกัน มันก็เป็นผลทัพระมาผ่านทำผ่า ก, กับร่างกายแล้วก็เกิดเป็นความรู้สึกแฉะร้อนเย็นแข็งอ่อนอ น, นี่ก็เป็นเวทงงานาเหมือนกันก็เพียงแต่ด้วารรับรู้ไปถ้าเราถ้าเราไม่ไปปฏิเสธเขาไม่ไปลำเกตเขาก็ไม่เป็นปัญหาใจาของเราก็เป็นปกติเป็นธรรมดาจนอุกเบี้ขาได้ด้วยปัญญา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 ให้มันหายไปเราต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับสิ่งต่างๆที่เราเราทําใจได้ในโลกนี้ทุกวันนี้บางอย่างเราก็ทําใจได้บางอย่างเราไม่ชอบแต่เราก็ต้องทําใจเราต้องอยู่กับมันพอเราทํำใจได้แล้วสิ่งนั้นมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรกับเรา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 เองให้ทานให้เสียงถึงจะเป็นอาหารหลงใจถ้าใจได้อาหารครอบเพื่อนบริบูรณ์แล้วมันจะไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรนั่งเส้นไม่ว่าจะเป็นราบยกสลักน้ำสดอะไรต่างๆในโลกนี้ที่คนในโลกนี้เขาบูชากันนับถือกันยกย่องกันอยากได้กันมันจะไม่มีคาวามรู้สึในจิตใจในจิตใจนี้เขาให้อยู่ก า, างลำพังไม่ต้องวุ่นวายท้า น, นี้ก็พอแล้ว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 ใจลักของร่างกายว่าเป็นอย่างไรมอย่างไรพิจารณาดูให้เห็นว่าเป็นธาตุผิวพิจารณาหเห็นว่าเป็นรัศมีไม่สวยไม่ ง, งามก็จะได้ไม่หลงยึดติดกับร่างกายจางนั้นก็พิจารณาเวืนาเวื่นาว่ามีถุกมีทุกไม่ทุกไม่ทุก ก, ก, ก็ต้องปล่อยเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาพิจารณาสังขารสัญญาก็เกิดดับเกิดดับ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 ถึงจุดหมายปลายทางไม่ตายไปก่อนอันนี้หัวหน้าไม่เลยมาฝังม า, าจะขาด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 อยูไม่พอเสียงน้อยน้อก็งเขาไม่ได้ก็ต้องพยายามพิจารณาต่อไปเพื่อจะให้ก็จะได้มีเสียงมากขึ้นมีความเข้มข้นมากขึ้นถี่มากขึ้นมันอยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นอยู่ใกล้ใจมากขึ้นบางทีเวลาต้องการปัญญาางน้มนรู้อยู่ที่ไหนมันเหมือนกัเอาปืนถ้าเราไม่เอาไว้ติดกับกายเรา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 ใช้ให้คารประโยชนได้อย่างที่หลวงปู่หลวงปูช่ชอนะบ ท, ท, ท, ท, ท่านเดินจงกรมเนี้ยท่านบโดยรมพุทโธพุทโธไปท่านเดินท่านเดินทุ่งตองกลางคืนนี้ยแล้วท่านไปเดินจ่าเอ๋เจอเสือโคร่งตนอะ น, นั้นเจ็ดวันนั้นมีสติอยู่ตลอดเวลนาะอยู่กับการบริการเรื่องอะไรของท่านอย่างนั้นพอเห็นอะไรที่มันจะตื่นมันไม่ตื่นเพราะมันมีสติปัญจอยู่ พอจิตมันเห็นฟั้มันก็วูบลงไปถ้าคนไม่มีสเตนเห็นปั้มมันก็จะเตื <c oughs> มันก็จะเปิดมันก็จะเว้งไอ้ตรงที่วูบไปนี่ไปจิตรวมลงไปใช่ไหมาจารยอ่าจิตรวมลงไปอันนั้นเป็นขั้นสมาธิใช่ไหมอ่าอันั้นเป็นขั้นสมาธิอาจ <c oughs> จะเป็นขั้นปัญญาด้วยแต่แล้วไม่แนะ่แล้วแต่แล้วแต่ว่าท่านมองว่าอย่างไรถ้าสมาว่าตายเป็นตายมันก็เป็นปัญญา <c oughs>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 อุเบกขาไหมทีนี้เลยคือบางบางอย่างเนี่ยเราสามารถที่ว่าจะใช้ปัญญาเข้าไปพิจารณาได้ใช่ไหมว่ายอมรับจนจะยอมรับมันเป็นแต่บางเรื่องเนี่ยก็แบบปัญญาไม่เกิดล่ะก็เลยใช้แบบรังเฉลยก่อนรังเฉยได้ก่อนเอก็ได้ก็เป็นเหมือนกับใช้สมาธิกดมันไว้ก่อนกันได้ใช่ไหมก็ได้ได้คือต้องไม่หรอคือบางทีปัญญาเราไม่ทันก็ต้องใช้สมาธิกดไว้ก่อน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 ยังไม่เห็นว่ามันเป็นลิปเป็นภัมากกว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์พอเราไปมองประโยชน์ทางด้านอื่นเราไปมองคุณประโยชน์ทางด้านอื่นนั้นทางด้านนอกใจแต่เราไม่เห็นโทษที่มันมีภายในใจดังบางทีเรายังต้องการรักษาสถานาภาพของเราอยู่ยังต้องขับรถเบนซ์อยู่เงนี้ ทั้งที่เงินก็ไม่มีที่ จ, จ่ายรถเบนก็พยายามดิ้นโนหาเงินมาผ่อนจ่ายรถเบ้นเพื่อรักษ า, าสถานะภาพแต่ใจของเรานี่ทุกแสนทุกกับการหาเงินมาก็รักษ า, าสถานะภ า, ามันมีไว้รักษ า, าหน้าตาของเราไว้ตาาไนต่แล้วมาพิจารณนว่ามันมันเรากําลังทุกเนี่ยเรากาลัลงแบกกองทุกอยู่เพราะเราไปหลงยึดติดกับสิ่งที่มันไม่จริงรองเท้าวรสิ่งที่เป็นทุกเนี่ยรถเบ้นคันนี้มันเป็นทุก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 มันก็มีคนจะคอยล้มคอยล้างอยู่คอยจ้องทําลายอยู่ใช่ไหมใครๆก็อยากจะเป็นใหญ่กันอย้างนั้นถาาใครมีมีวิธีมีโอกาสที่จะล้มเราได้ก็ก็ต้องล้มเรามันทุกข์นะนะต้องรักษาสถานภาพกันอะไถ้าซื่ออย่าไปเป็นมันดีกว่าจะเป็นขอทานดีกว่าแต่ท้ายไม่มีใครมายุ่ง <c oughs> นี่เรือ่องหนึ่ง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 ก็เลยดำเนินชีวิตแบบแบบผิดผิดนแล้ในปัจจุบันนี้ก็มีดารามีข่าวอยู่เลยเจ็บยาเจดบเจ็บเวลาเมาแล้วก็ขับแล้วก็ไปต้องไปมีปัญหาที่เราไปตามแก้หรือทำอะไรแบบหุนหันพันแล่นนึกอยากจะแต่งงานก็แต่งนึกอยากจะยายาก็ยาแล้วก็ต้องมายุ่งกับเรื่องการ อย่าล้างเรื่องสมบัติเรื่องอะไรเรื่องลูกเรื่องอะไรนวุ่นวายเลยพอไม่ไม่ไม่ได้ดูไม่ได้ดูที่กายเป็นหลักดูดู ด, ดูดูที่ภายนอกดูที่รากยศและเสริมเป็นหลักเพราะหลงเห็นว่ามีราดยศและสริมแล้วจะมีความสุขหาไม่ว่ากำลังวิ่งเข้าสู่กองไฟ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 ถ้าเกิดเขามามาศึกษา่างพระพุทธศาสนาแล้วเขาทำจิตให้สงบได้นี่เขาจะไปได้เลยเขาก็จะพิจารณาเห็นไตรลักษได้ได้อย่างรวดเร็วแต่คนที่ไม่เคยพิจารณาแยกแยะอะไรเลยนะเห็นอะไรก็จะเห็ น, น, นเห็นต้นไม้ก็จะเห็นต้นไม้ไม่รู้ว่าต้นไม้มันมาม า, มาจากอะไรมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร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 ประโยชน์ของกูบอาจารย์ก็อยู่ตรงนี้ถ้าบางองค์ท่านไม่ไม่ไมชำนาญท่านก็จะไม่สามารถสอนได้อย่างละเอียดท่านก็จะพูดแบบรวมๆอยู่ที่คนสั่งที่จะเอาไะขยายความรูงที่เราจะอบบบางครั้งเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเราขนาดมากาากอะไรที่จะทำให้ไร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 มมนหเดคือเดร้อนเวราะความอยากไม่ใช่เดือดร้อนเพระอะไรหละถ้าคนเราลดความอยากได้มันก็ <Jetzt S 2> มันก็จะลดความเดือดร้อนลงไปได้ท <Okay. S 2> ี่ส่วนใหญ่เราไปอยากกับตุ้นต่างๆเข้ า, พ เ, าเพราเราเป็นหลวงว่ามันให้ความสุขกับเรามันก็เลยเดือดร้อนกัน เช่นเราต้องมีรถเนี่ยเราคิดว่ามีรถแล้วเราจะมีความสุขเราจะไปไหนมาไหนได้สะดวกรถเดียวสบายแต่เราไม่คิดว่าทำไมเราไม่เราเราอยู่แบบไม่แค่รถเดียวคกอเราอย า, อยากไปไหนถ้าอยางก็ไม่ต้องใช้รถลนะ <c oughs> อ, ยอยู่บ้านเฉยๆ <c oughs> อย่างเดียวไม่ต้องไปไหนก็ไม่ต้องใช้รถท่ <c oughs> ไมใช่รถก็ไม่ต้องมีปัญหา ก, การขอนรถ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 อยู่แบบครบาอาจารย์สมัยก่อนท่านก็ไม่มีรถท่านจะไปไหนท่านก็เดินินไปในตาทนนี่ท่านเคยเล่าว่าท่านเดินจากวัดส่าล้านปาไปอุดรเลยนะสมัยก่อน <c oughs> สมัยที่สร้างสร้า ง, งวัดใหม่ๆเช้าถ้าท่านมีกระสุจะเข้าไปในมือง่านฉันเสร็จท่านก็เดินไป <c oughs> ปัก okay. em yeah, ีิไปวัดอุดมวัดอ uh uh uh ุดมสมพรไงในเมืองน่ะสิบกว่ากิโลครับจากวัดแต่ท่านมีทางลัดเนี่ยท่านไม่ต้องเดินออกไปลายทางทางนั้นมันมีหมู่บ้านทางหมู่บ้านที่มันเชื่อมเชื่อมกันไปสมัยก่อนถ้าเวลาท่านไปทุดงท่านก็บองทีหลวงปู่ม่านท่านอยู่อยู่หมู่บ้านนี้ถ้าไปทุโดงที่หนึ่งบางทีท่านมีปัญหาอยากจะมากราบเงินถางหลวงปู่ม่านพอท่านสังเสร็จเช้าท่านก็เดินมา ต่ถึงก็ประมาณทงเพียงหรือใบๆเลยรอเลาะรอปู่บ้านท่านเลัะท่านว่างท่านจะเข้าไปกราบมัสะมารมีสะสมารมีเส็จทานเดินกลับท่านก็ถือว่าการเดินเป็นการภารนาการเดินจนกลมไปเ่อควาปลายเดินจนมแล้วพอถึงแล้วจะไม่เดินมาที่วัดหรือเดินไปที่อุบลเวลาที่อยู่ที่พักท่านก็เดินจนกลมทั้งวันท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 ไม่ได้หาเงินมาเพื่อจะไปเที่ยวเพื่อเพื่อจะไปเพื่อไปซื้อของต่างๆซื้อเครื่องบันเทิ ง, งต่างๆมาดูมาฟังมันหมดไปแล้วมันก็ไม่ได้อะไรแต่มันจะติดมันอยากจะได้ใหม่อยู่เรื่อยซือกล้องรุ่นีแล้วเดี๋ยวก็มีกล้องรุ่นใหม่ก็เช่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 เป็นคนที่จะเข้าวัดบ้างจะอยู่วัดอยู่กับทั้งคมที่ก็อยู่แบบเรียกง่ายจะอยู่วัดถ้าอาจารย์ถุยนานๆอยู่แค่พรรษาหนึ่งสามเดือนให้มันซึมซากระไปในจิตในใจมันก่อก็บอกมันก่อนมีคนนมาเล่าว่าเขาจะอยู่วัดแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนอีกโลกหนึ่งความรู้สึกในที่ต่างๆมันเปลี่ยนไปหมดเลย เพราะว่ามันไม่ได้สัมผัสกับสิ่งเดิมๆที่วัดก็ไม่มีเทวรัตน์ไมมีอะไรดูคอยมาคอยกระตุ้นให้เกิดนําลายอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากไปไปที่นั่นไปที่นี้อย่างนี้บางอย่าู่ในวัดบางทีไม่รู้ไม่รู้วันรู้เดือนด้วยซ้ำแต่ว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรเพราะทุกวันมันก็เหมือนกันมีหน้าที่เหมือนกันเช้าตื่นนอนก็เรียนหาอาหารทำอาหารรับประทานหรือถวายพระเมืออะไรก็ตาม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 อพอมียาแล้วมันจะเกิดความหิวขึ้นมาพอมีกิเลสแล้วมันก็เกิดความอยากความหิวความต้องาการทึ้น้เพอการจัดกิเลสหมดสิ้นไปจิตมันก็ว่างจิตบริสุทิม์มันก็ไม่มีความอยากไม่มีความโลภไม่มีความโกรธนี่คืองานที่แท้จริงของเรานี่งานที่ทำจิตของเราให้ว่างทำจิตของเราให้สะอาดบริสุทธิ์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 ต้นไม้ที่มันออกลูกมาผลไม้แต่ลูกมันมีความเจริญพัฒนาต่างกันลูกที่มันกล้าจะสุกงอมแล้วไม่นานมันก็จะหลุดจากขั้วลูกที่ยังเพิ่งผอมมาเนี่มันก็ต้องใช้เวลาบ่มมันไปหน่อเลี้ยงมันไปเรื่อยๆใช้อาหารไปเรื่อยๆเนี่มันก็มันก็เติบใหญ่ขึ้นมาเองแล้วไม่มีทางรัดหรอกมันทางนี้มัน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 เป็นสมาธิพยายามจะทําพอทําแล้วทําไม่ได้ก็มอหมือก็วิธีดีที่สุดก็คือให้คิดคําว่าพุทโธพุทโธไปเรื่อย <c oughs> ให้รู้อยู่กับคําว่าพุทโธไปเรืร <c oughs> ่อยถ้าอยากจะทําจิตให้สงบเมื่อ <c oughs> เขาคิดแต่คําว่าพุทโธพุทโธไปไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็ตามถึงแม้เขาอาจจะคิดเรื่องอื่นไปด้วยในขณะที่เขาต้องทํำงานนั้นก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยให้มีพุทโธคอยกํากับเป็นเหมือนกับเป็นรั้วเป็นกรอบไหม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 มันจะไม่มีโอกาสจะไปคิดใช่เ ง, งินใช่ทองแต่ถ้าไม่มีพุทโธเดี๋ยมันก็คิดลาจะไปไหนดีจะเปข้าวจังคะเดี๋ยวทำกแต่ไปนิดนึงสมมุติว่าเ อ, อที่ท่านใจบอกว่าการชนะจิตใจให้ให้ให้บริสุทขึ้นไปเนี่ยสมมุติว่ามีแบบสีขั้นอย่างนะคะหนถึงสี่ขั้นที่สี่สุดที่สุดที่สุดเลข้างที่หนึ่ง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 ระดับที่แบบว่าศูนครึ่งอเงี้ยจะเข้าเป็นีชาตินั่นคือมาเกิดอี้ไอศูนครึ่งนี่ยังอยู่กับเราไม่ไดะแล้วเราก็ค่อยๆไปแต่ก็อาจจะมืดตรงไปอีกแลก็ไปต่อยอดคือก็คือไม่ได้ศูนย์หายไปอะไรที่อยู่ในจิตมันก็อยู่กับจิตกลหายกัวไหมกลัวไเรนมันก็ไม่หายนะไม่ยิ่งกลัวว่าอาจจะเก็บเทพผลผลไม้ค่อยๆสุกใช่ไหมคร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 แล้วก็จะส่งต่อไปที่จิตอีกทีมัมนก็จะมีความสัมพันธ์กันอยู่อย่าหงหลวงตาเห็นไหมถ้าอยู่งก้าวถึงห้าท่านยังไม่ไหลงไม่เลวไม่อะไร<ๆ>เพราะว่าท่านใช้ใช้ใช้จิตอยู่ลตลอดเวลาใช้ในการพิจารณาว่าจายเมื้อง่ายไม่ได้อยู่เฉยๆถึงแม้ท่าอยู่ตามลาพั ง, งท่านท่านก็จะพิจารณาทางของท่านไปอืสําลับกับการพักจิต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 แต่ยิ่งอยู่ยิ่งแก่มก็ยิ่งทรมานนะเพราะร่างการมันก็อยู่เพื่อภาวนาอาจารย์ไม่เป็นไระพระพุทธเจา้า็เอาแค่แต่สุดเลยอย่าคิดอยู่ยาวเลยนอกจากไม่ได้ อ, อยู่เองก็ถ้ามันเป็นบุญของเราหรือยังเป็นกรรมของเราที่จะต้องอยู่ยาวก็ก็อยู่ไปอย่างมีประโยชน์ก็แล้วกันอยู่อย่างมีความสุข แต่ถ้ามันถึงเวลามันจะไปตอนไหนก็ให้มันไปก่อนไปเสียได้เลยจะได้ไม่ทุกข์ถ้าเสียได้แล้วมันจะทุกข์ที่มันก่อนที่ไปงานที่ร้อเอ็ดเนี่ยลูกศิลูกหาก็ภาวนาภาวนาขอหลวงตาไว้ร้อยี่สิบปีฮะร้ยี่สิบปี ไม่รู้ลูกสิษ์จะอยู่ท่านท่านหรือเปล่าไม่จะไปก่อนท่านตอนไม่ขอให้สักสองร้อยไปเลยอรอได้ถึงร้อยี่สิบก็จะขอต่อย <S <S แ, แต่ก็มีคนหนกว่าไม่มีใครบอกพอละ120ยี่สิบไปได้แล้วไม่มีพอถึงร้อยี่สิบก็จะขอต่อยไม่มีที่ทสิ่นสุดแล้อ เตรมตีู้ศก็ไรักษาทหารท่านองค์ท่านเองนั่นท่านพร้อมจะไปทุกเวลาใช่คก็เมื่อก่อนที่จะมาทำโครงการช่วยชาตินี้ท่านก็เตรียมสร้างเมรุนะครับจิตใจของลูกศิษย์ับจิตใจของอาจารย์นี่ไม่เหมือนกันอาจารย์ก็พร้อมจะไปแล้วลูกศิษย์ก็ขอให้อยู่ไปได้ มันเป็นธรรมชาติของกิเละที่อยากจะให <ix> hmm. ้อยู <Susan> ่ไปนานๆเพราะท่านสร้างคุณประโยชน์ได้มากเลยครับให้เราทำไมเ้าไม่มาทำแทนท่านบัางมันยังไม่ผิดอกเลยฮะหรือว่าจะเป็นรูปัะดอกยังไม่ออกเลยครับ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 เราก็จะน้องรับทำปฏิบัติตามกตามจริงสิ่งที่สมคัญที่สุดก็คือตัวเรามากกว่ายังต้องต้องดูที่ตัวเราเป็นหลัก ดยูที่การปฏิบัติของเราเป็นขอให้เราทุ่มเทให้มากๆกับการปฏิบัติ <c oughs> กับเรื่องอื่นก็พอทำไปตามการําเพิดตามจัดใจแล้วกันเมื่องในงา น, นย่ไไนแตไยากเปาอนแต่ถ้ากำลังเข้าได้เ ข, เข้าเข้มกับการปฏิบัติจะผ่านไปก็ได้เพราะว่าบางทีงานงา น, นยิงนี่มันจะไปทำลายงานที่มันละเอียดกว่า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 ลองคิดลองวางแผนอะจะได้อยู่วัดพอนาสักสามวันเจ็ดวันเปนเดือนเป็นราชการยังล า, ไ ด, าดได้นีลาบวชได้นหมผะไปเคุณดื่มผมไปมาแล้วก็ห้าวันนะ อ, อะนหลังจากกระจุขม่ามามา ก, ก็ไปพ อ, ากกอา<ส>นานลาบวชนี้ก็ให้บวชลาได้เก้าสิบวันลาได้ภรษานึ<อ>่งน่าจะเอาเอาสิทที่นะ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 คือสิ่งที่ผมคิดก็คือว่ามือการบวชนี้ถ้าบวชเราทำได้ไม่ดีเนี่ยเกรงว่าจะติดลบมานอาจานเพราะว่าพระวิไไนัยเราเรายิ่งรู้มากเลยยิ่งยิง่งยิ่งต้องระวังแลถ้าบวชเราคิดว่าเราทำไม่ได้นี่คือจะแสดงว่าเรายังไม่พร้อมยังไม่พร้อมยน่าเสียดายอันนี้เดิูแจเต็ม แ ต, แต่สิ่งที่ท่ทานารยพูดนี้ผมผมคิดมาหลายปีแล้วเพอาปีสุดท้ายของการทำงานเนี่ยมันมันลาได้แล้วไม่ต้องไปทำเลยอีกเลยเคยคิดถ้าเคยคิดไม่ตัดสินใจเล้แต่ก็ดีแหละที่ว่าเราเราเป็นคนที่ค่าๆว่ายอมรับความจริงเนี่ยเราเราไม่อยากไปทำในสิ่งที่จะทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้นถ้าเราคิดว่าเราจะไม่พร้อมจะไม่ควรทา พราะอย่างเราก่อนที่เราจะบวชนี้เราก็ทดสอบตัวเราเองอยู่ปีหนึ่งเหมือนกันถ้าเรายังไม่แน่ใจเราก็ไม่กล้าบวชนี่เหมือนกันแต่เมื่อเราแน่ใจแล้วเราก็เราก็บวชเนี่ยก็การบวชนี่เป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดของชีวิตเลยก็ว่าได้แต่งงานนียงง่ายแต่ร่างนี่ยงง่ายแต่การบวชนี่ยาก ถ้ามาบวอยู่ชาวบ้านเขห้าวันเจ็ดวันนี้นี่นม่ยากเลยฮะบวเจ้าดีนี่มันยากกระบวนการปฏิบัติได้เหมือนกับพระรูปอื่นเขาปฏิบัติกันง่ายทีผมเคยฟังทกตอาจารย์พูดถึงคำถึงที่ยังใช่อยู่ทุกวันนี้คือการจะ่าจิงสุก่อนหามนะแล้วไม่พร้อมเอา่าพึ่งไปข้ามขั้นตอนไม่ได้ช่วงปีที่ เราตัสินใจจะตวน่นนาจะเวลาที่ท่านอาจารย์ภาวนาแล้วจิตสงบร่วงเงินแล้วมีปัญญาไหมคะตานนันที่เจริญปัามันก็มันก็พิจารณาไปเรื่อยๆเดินตามแนวของสติปัฏฐานอยู่บางไย่งก็พิจารณากายเรื่อยๆแล้วก็เวทเนาก็นั่งพยายามนั่งให้มันผ่านไปให้ได้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 ดนั้นมันก็รู้สึกหงุดหงิดเท้าส้อยหัวเหียวตอนนั้นก็ต้อ ง, ต, งตั้งสติต้องพิจารณาทาเรื่องนั่งสมาธิทำจิตให้หมบถ้าปล่อยปล่อยให้มันอยูอเ่เฉยๆมันก็ยืดปูนอย่างมันก็จะ ย, ยริ่มจะยืดทุ้งซ่านเท้าสร้อยหอยเหี่ยวอย่างก็ต้องต่อสู้กมันไปเรื่อยๆพยายามทําให้มันมากยิขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าทำแบบว่าไม่มีไม่มีเวลาว่างเลยให้จิตไปคิดเรื่องอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์เลยได้มันก็มันก็เป็นเรื่ข้าวหน้าไปให้เรื่อยๆ <c oughs> ถ้าไม่เดินจงกลอก็นั่งสมาธิถ้าไม่นั่งสมาธิก็ฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะสลับกันไปอย่างนี้หรือ <c oughs> ไม่ชช่นนั้นก็ทำกิบที่เราต้องทำ ถ้าเป็นคาราว่าตั้งกว่าถือบ้านก็้กว่าถือไปรักป้างนะรักไปทำกับข้าวรับประทานเน่าจะทำไปแต่ให้มีสติอยู่กับกิจกรรมนั้นๆอย่าไปคิดเรื่องอื่นพอเสจกิต <c oughs> แล้วก็เดินตรงกรมต่อนั่งสมาธิตใจหลับกันไปอย่าอย่ า, ย า, ยานั่งเมอรอคิดถึงนดี พี่หวานมันจะทำให้รู้สึกเศร้าสอยห่อยอย่างคิดถึงพื่นสูงเลยแต่มันก็อดเผอไม่ได้เผอไม่ได้เหมืก็อดแล้วก็นั่งฝันคิดถึงแล้วกระจายแล้วรู้สึกเราไม่รู้ทาอะไรอย่างนี้พอได้สติก็ต้องรีบนั่งสมาธิเลยเดืนอนตงกลมควบคุมจิตไม่ให้้ ไม่ให้เธอเจอ้อไม่คิดเพเจ้อไม่ให้ เ, เ ห, หนื่อยอยแต่มันมีอ่ะมันมีช่วงของมันเพราะว่าสติเรายังไม่ต่อเนื่องเวลาที่เราเผลอปั๊บนีกิเลสมันก็จะมาคิดมาพาไปคิดแล้วถ้าไม่ทันนี้มันก็จะทุกข์ทมานใจดีกว่าจะดึงกลับเข้าไปนั่งสมาธิได้ก็โอ้โหเหมือนกับ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 เมื่อมันมันผ่านไปแล้วมันก็เหนอนกับพน้พนพ้นพ้นอะไรนะพ้นเหยืยมาพ้นอุ้งของของมารไปหลุดจากความความความควบคุมของจิตเดชได้ยังมือแขนตัสบายไม่มีอะไรมารัควนจิตใจไม่มีอะไรมาคอยหลอกมารออให้หลงกับเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นกับสิ่งนี้ อยูเฉยๆจะมีการศึกเป็นรางวัลที่คุ้มค่าหลังจากบุกแล้วมือเอกามาประเทศอื่นเลือยำมีน้อยนะไม่วก็เยอะ <c oughs> เพราะอยู่ <c oughs> อยู่กับครูบาอาจารย์แล้วมันมีภารกิจทำอยู่ตลอดเวลา <c oughs> แล้วตอนนั้นก็บุกบุกกิเลยแทนที่จะปล่อยให้มันบุกเราราบุกมันด้วยการ <c oughs> เอาทหารอยนี้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 ไม่ใช่ไม่ชน้ำมันธรรมดาทุกคั้งที่ฟังเทศฟังธรรมแล้วกลับมานี่มันมีกำลังใจเดินดังกลมได้หลายชั่วโมงไม่ง่วงเหงวเหานอนพ อ, อสักสองสามวันผ่านไปมันก็พักผ่อนได้ใครกันจึงเรียกต้นถึงคอยเรียกประชุมอยู่เรื่อยๆเพรฉะนั้นสี่ห้าวันท่านจะเรียกประชุมครั้งสี่ห้าวัน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 ตัของทีไ่ได้คือ มาฟังเทศสารปีนี้ที่ว่าน่าประอยู่อะไรบางได้ยค่ะได้จริงะจริงค่ะที่ใส่ดีขึ้นสาสิเปลี่ยนไปเยอะนะแงในชีวิตคือเปลี่ยนแปเยอะมากยอมรับปัญญาเพิ่มขึ้นท่้เกี่ยวน้อยลเกี่ยวหน่อยกับฉันน้อซื้อของก็น้อยเข้าวักนขึ้นคอยจะทำอะไรก็เลยถ้าจยากยกก็ยังทาบ้าง เพื่ความชุกง่อยลงชุกง่อยลงทีหลังไม่มีพูดถึงเรื่องเรื่องลูกเลยฮะไม่มีแล้วหย่งลูกเขาไม่อยู่แล้วลูกเขาจะดีดีขึ้นไหะเรียนเรียนดีด้วยจริงเขาดีขึ้นเพราะเราไม่ไปยุ่งของเ้ามากเลย บางทีบาทีเขาสอเข า, เข า, เ, ขาเขามีปฏิกิริย า, า่อานพวกเรายิ่งห่างยิ่งยุ่งที่นี่เขาเชี่ยวขอคำถามค่านผู้ัวรู้นี่ออกมาจิตจิตจิตเป็นกู้รู้ใช่ไหมคะคือตัวรู้เนี่ย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 ฉะนั้นก็อย่าไปสนใจมันว่าว่ามันมีสติแล้วก็รู้อยู่แล้วกันให้รู้อยู่แค่ว่าเป็นกิเลสเรือไม่ท่านั้นพอแล้วอย่าอืนรู้ไปก็ท่านนั้นไม่ไม่สำคัญเหมือนกับคุณขับรถเนี่ยคุณไม่ต้องไปรู้ว่าในเครื่องเครื่องเครื่องมีอะไรบ้างจะมีเครื่องยนตกี่สูบจะเป็นแบบนอนหรือแบบตั้งอ่จะใช้น้ำมันอะไรไม่สําคัญอ่ะ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 ตัววิญญาณนี่ต้องมีตัวสองขามกับสัญญาณเข้ามารวมอยู่ด้วยเสมอค่ะคือมันทําต่างหน้าที่อย่างเงี้วิญญาณมันทะทหน้าที่ก็ต่อเมื่อมีการการสัมผัสของตากับกับรูปอย่างเี้พอตาเห็นรูปมันก็จะมีการมีการเชื่อมต่อกันยังมันตัวสัญญาต้องมารับรู้ก่อนรับสัญญาณนี้ไปเข้าไปในจิตทีนึงเป็นตัวเชื่อมเชื่อม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 เราไม่ได้เราไม่ได้ถูกสานมาอย่างนั้นพอถูกสอนว่าดีต้องรีบเอาไว้ก่อนทุกอย่างมันมีทั้งคุณมีทั้งโทษดังนั้นสัญญาก็เหมือนช่องทางเ อ, อทางสถานีวิทยุเชื่อมต่อแล้วไอ้ตัวที่เรารับภาพก็เหมือนเนจอทีวีใช่ไหมค ะ, อ, ะอย่างนั้นใช่ไหมสัญญาที่ช่องทางที่เรามองไม่เห็นแล้วก็มาแตกเป็นภาพวิญ ญ, ญาณจะเหมือนตัวรับรับสัญญาณมาแล้วก็มามา มาให้มันปรากฏที่หนจอภาพใหญแล้วก็มีมี ม, มีมีคนภาคหนังมาภาคว่าอันนี้อันนี้เป็นผู้หญิงนะนี่เป็นผู้ชายนะแล้วก็มีคนมาบอกว่าอย่างนี้นถ้าควรจะทำยังไงกับสิ่งนี้ดีควรจะควรจะรีบค้าเข้ามาหรือรีบรีบรีบหนีหรือยอมทิ้งไปเช่นเกิดงูมันหนอนมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ย <c oughs> มันจะเกิดขันยาขึ้นมาเอ้งูงู <c oughs> ง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 การที่ไม่กลัวนะไม่ตกใจเนะี่ยแต่มันก็จะ ไ, ไปทันทีไปทันทีเพราถ้าเราเดินไปเราเห็นกิ่งไม้แต่คิดว่าเป็นงูปั๊บกระโดดข้ามเลยเนะี่ยท่านี้จะไปเหยียบกิ่งไม้กระโดดไปเลยเขาเชื่อเป็นงูมันไปของมันเลยทัมันเร็วมากพอตาเห็นลูกก็สัญญาลับเข้ามาเพราะสัญญาแต่ ป, ปั๊บสังขานมันทํางานทัที่เวทนานมทำงางแต่ถ้าอาหารไม่มีเวทนาท่า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 ถ yes ้ามีปัญญาไปหรออกให้ไม่ไปดีกว่าไปก็เทานั้นส่งเคินไปเลยสัุปัญญามันหายหัญงานไม่ค่อยดีจแสดงว่าปัญญายังไม่ไม่ไม่ไม่พอเพียงเราเด๋ยวไม่ได้พิจารณาอย่งกำลังย่งกำลังของปัญญายังไม่มากพอ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 น, นี่ก็ได้เยอะแล้วนะอยากตังไให้ฟได้นะยะทาวริวาหาสุราภริปุเรติสาคารังเอวเมวะอิโตจินังเปตานังอุปการปติ อิชิตางปฏิตางตุมหังคิดป้าเมวะสนิจจัตุสัพเเอทุเรนตุสังกะปาจันโทปณาละโสยัตถานิโชติละสุยัตถะสัพพิติโยวิวัชานตุสักขโรโควินัสตุมาเตปะวะทวันตรายโยสุขีธีคาโยโภพะ อภพิวาธนสีหิตะตยิจังวุธาปชาญโนจตารโรธมาวาทานติอายุวันสุขงสังอาสาชารุ จะมีถาว่าคประมานาสมาธิเนี่ยคือเรารู้สึกว่าสมาธิเราระสบการค่ดดอนข้างจะมีน้อยเพราะว่าเราก็พยายามด้วยเราจะไม น, นที่สุดแต่พรากฏว่าก็ยังคิดอยู่ก็เลยปล่อยเป็นกีปรัชนาไป ก, ก็คือปล่อยคิดอะไรก็พยายามทำไปเรื่อยๆแต่พอ่าถึงจุดๆห <àn. S 1> นึงก็คิดว่าเอ๊อตอนที่บอกว่าจิตอนัตต า, า เ, เราควรจะพิจารณายอย่างไระคะอะไรเนื่องเาจิตเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนเพราะว่า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 ที่จะคอยขับให้จิตมันเข้าข้างในให้มันรวมลมเพราะโดยธรรมชาติของจิตนี้ถ้ามันอยู่ที่ไม่กลัวแล้วมันจะชอบออกข้างนอกแต่ถ้ามันเจอผีเจออะไรเนี่มันเจอพุทโธพุทโธนุทะเแต่ถ้าบางคนที่เขากลัวเนี่ยรแต่เขาไม่มีสมาธินะเขาไม่มีสติค่ะ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 ความรู้พิเศษเนี่ยนุงปู่มั่นี่ยท่านจะเห็นอยู่ด้วยอ่านี้สวายของปูมน่นท่านบางทีท่านเห็นผียกยกยกมาทั้งครอบครัว อ, อกไปยก อ, อกไปยกใช่ไหมอกไปยก อ, อ, อ ก, กจากที่ศาล ไ, ไปอยู่ไหนใช่แต่ไม่ทราบว่าท่านเล่าขอเป็นรูปร่างของคนหรือเป็นอะไรท่นบอกเหมือนชาวบ้านทั่วไปชาวบ้านทั่วไปขอบลูกจุงหลานอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็ไม่ได้เป็นแบบผีที่เราคิดกันหรอกแตว่ามีแต่โครงกระดูกมีแต่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 ก็เลยไม่สบายใจเอมันเป็นอะไรแต่ก็บอกว่ารูปตรงนั้นเป็นรูปของอนาคตนะคะไม่ใช่รูปอดีเขาจะรู้ได้ไงว่าเป็นอนาคตเอะใช่ไหมคือท่านบอกว่าเห็นอะไรก็้วอย่าไปเชื่อเลยให้ใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูถ้ายังไม่มีไม่มีอะไรที่จะมายืนยันก็อย่าเพึ่งไปสรุนว่าเป็นอย่างไรอย่างน้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 พอตามไปรู้มันก็จะมีเรื่องให้รู้รู้ไปเรื่อยๆเขาเขานั่งแบบครับอาจารย์บางครั้งเนีขาจะเป็นจริงมาหลังๆอะไรเนี้ยเขาเลี้ยงกลวงลูกก็บอกว่าตามที่ฟังจากครูบาอาจารย์บอกให้ปล่อยนึกนึกถึงคุณแม่แก้วไม่ิแก้วหรอกก็บอกเขาว่าเราอ่านนิทานดูก็ทิ้งไปเลยนะอย่าไปสนใจแต่เขาทําไม่ได้อาจารย์เขาไม่ได้ติอวเขาไม่ไดสติตอ่อน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 แต่สิ่งที่แต่สิ่งที่ไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ใชูเห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นไม่ใช่ของจริงก็เห็นไม่จริงก็เห็นไม่จริงก็รู้ว่าเราละิรี่เราเห็นมันจะเนของจริงืไม่รู่ติปทางชื่อหลงตาท่านเคยเลมว่าท่านบอกนิมิตมันมีสองอย่างนิมิตที่เกิดจากจิตเองและนิมิตที่เกิดจากภายนอกรือพวกกคยทิศต่างๆนี่เรียกว่านิมิตที่มาจากข้างนอก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 งานไปเที่ยวนีท่านอาจารย์จะถูกกิเลสประเภทไหนฮะติดต่อการมาตัญหาไงควอยากใ้รูปเสียงเกล็ดก้อนมีสารการมาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาถ้าอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตนี่ก็เป็นภาวะตัญหาถ้าอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็เป็นภาวะตัญหา อย่างเท้วกันกามาต่างหาตาได้เปียคนหนึงแล้วคนนก็ไปแล้ว